บรรยายเมื่อวันที่23ากันยายนพุทธศักราช2547คือท่านผู้บรรลุ ธ, ธรรมแต่ว่ายังมีสังขารอยู่นี่นะครับคือหมายถึงว่ายังอยู่ในมีสังขารครองอยู่นะครับท่านจะเป็นทุกข์ในอริยสัจหรือเป็นทุกข์ในทุกขตาอยู่หรือเปล่าครับนันเรื่อง เร่อผู้ที่บรรลุธรรมนะครับส่วนต่อไปก็คื อ, อาการที่บอกว่าตัณหาเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนะครับจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางกายด้วยหรือเปล่าโดยตัณหานะครับแล้วการปฏิบัติของชาวพุทธที่บอกว่าปฏิบัติเพื่อความไร้ทุกข์หมายถึงทุกข์ในแง่ไหน เป็นแล้วมีสภาวะอะไรบ้างที่ตัวอุปท า, านไม่สามารถจะยึดครองได้นอกจากนิพพานก็หลายข้อตอบทีละอย่างก็ยาวยึดความจริงมันก็เรื่องเดียวกันแนหะบางทีตอบเรื่องเดียวแล้วก็คลุมไปหมดอย่างนั้นผมอยากจะย้อนกลับไปคราวที่แล้วหน่อยบางอย่างมันก็เนื่องกันกับที่ท่านถาม มันเป็นหลักคือบางทีเรารู้หลักชัดแล้วก็ตอบคำถามปลีกย่อยโดยเองนี่ถ้าไปาตอบคำถามปลีกย่อยมันก็มีแง่ออกไปเรื่อยๆคราวที่แล้วนี่พูดถึงทุกสุขในแง่ของความหมายทั่วไปนะแล้วก็มีว่า ทั้งหมดนะมนเนทุกทสุขมันก็เป็นทุกเท่านั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าสุขมันก็เป็นสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยพุงแต่งมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนั้นสุขที่เราเรียกเป็นสุขโดยมากเราหมายถึงความรู้สึกก็คือเวทนามันก็เป็นของเกิดจากเหตุปัจจัยใช่ว่าตาไปเห็นภาพสวยงามแล้วเกิดชอบใจก็มีความสุข ใช่มเกิดจากเหตุปัจจัยพราะนั้นมันก็ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็สลายก็เป็นไอ้ไอสุขจะเปแบบนี้ก็เป็นทุกข์เท่านั้นแต่ทีนี้ว่าหลักมันอยู่ที่ไหนะก็เลยข้าวที่แลนี้พูดถึงว่าสุขน่ะมีหลายขั้นสุขหลายขั้นหลายระดับจะสุขทั้งหมดนี่ก็ในเมื่อมันเป็นความรู้สึกมันเกิดจากเหตุปัจจัยพุ่งแต่งมันก็เป็นทุกข์ ในข้อของไตรลักษณ์เราก็เลยจะต้องทําความเข้าใจเรื่องทุกข์ซึ่งท่านก็ถามแล้วว่ามันมีทุกข์ที่สามารถแยกเป็นทุกขเวทไอ้ทุกขในแง่เวทนาความรู้สึกที่ว่ารู้สึกสุขรู้สึกทุกขรู้สึกเฉยๆวามรู้สึกนี้เป็นเรื่องง่ายๆเข้าใจก็ได้สามัญแล้วก็ทุกข์ในอริยสัจแล้วก็ทุก ในไตรลักษณ์ที่ว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเกิดดับคงอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนแท้ของมันยั่งยืนถาวรเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ปรากฏรูปต่างๆตามเหตุปัจจัยของมันอันนี้ก็มีทุกสามแบบเนี่ยนะต้องทําวามเข้าใจให้ชัดหน่อยถ้าเราเข้าใจหลักทุกสามอย่างนี้เนี่ยมันก็จะพลอยให้ตอบคําถามตีกย่อยไปได้ด้วย ทีนี้ในขาที่แล้วนี้ผมก็พูดถึงว่าสุขที่ว่ามันมีหลายขั้นตอนสำหรับมนุษย์ปุตุชนที่ว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะถึงงั้นเราก็พูดถึงสุขที่ประนีตขึ้นไปตามลดับแล้วไปพูดถึงว่าสุขของพระอรหันต์นิพพานใช่ไหมที่บอกเป็นบรมสุขอันนั้นกลับเป็นเรื่องพ้นทุกข์เนี่ยไม่เป็นทุกข์ในใจลักเนี่ย ตรงเนี้ยท่านอาจจะงงหน่อยก็อยากจะมาย้ำก่อนแล้วค่อยเข้ามาถึงการแยกให้พวกทุกสามแบบสามความหมายทำไมสุขของนิพพานที่พระอรหันต์ได้มีความสุขเนี่ยจึงไม่เป็นทุกข์น่ไม่เป็นไปนตามไตรลักษณ์เนี่ย พูดเป็นวิชาการหน่อยท่านเรียกสุขอย่างนี้ว่าเป็นอเวทยิตสุขสุขที่ไม่มีการเสเวยหรือเสพไม่มีการเสพเสวยเสพอะไรก็เสพอารมณ์เสพอารมณ์ให้เกิดความรู้สึกคือความสุขธรรมดาเนี่ยมันก็ต้องมีอารมณ์เสพถูกมฮะท่านเห็นภาพสวยงามที่ชอบใจก็สุข มาต่างๆได้ยินเสียงไพเราะเสียงที่ชอบใจก็มีความสุขนิเสพอารมณ์ทางนั้นนะอารมณ์ก็คือสิ่งที่ได้ยินได้เห็นอะไรเนี่ยแล้วก็รสอาหารอร่อยก็เสพอารมณ์คือรสอาหารนั้นเนี่ยสัมผัสน่ยแม้แต่ทางใจก็ต้องมีใช่ไหมสุขทางใจมีสิ่งที่เสพทีนี้นิพพานเนี่ยเป็นสุข ที่ตรงข้ามกับพวกนี้หมดสุขที่ไม่มีการเสพอารมณ์เอ๊ะมีได้ยังไงเออเอานี่ยนะนี่ก็มาคุยกันนิดหน่อยนะทำไมจึงไม่มีการเสพอารมณ์เป็นสุขได้นะก็ขอให้ดูตัวอย่างง่ายๆบอกแล้วเมื่อกี้ผมต้องมีการเสพอารมณ์แม้แต่ทางจิตใจนึกถึงอะไรแต่อะไรอารมณ์ที่ เกิดมาทางใจแล้วก็มีความสุขทีนีนะ้เอามาเปรียบทางร่างกายคนธรรมดานี่ก็มีอย่างนี้คล้ายๆเหมือนกันนะ <Yeah. S 1> ความไม่มีโรคท <Yeah. S 1> ี่ว่าสุขภาพดีไม่มีโรคความไม่มีโรคร่างกายไม่ถูกบีบคั้นไม่ถูกท่านเรียกว่าภาษาพระเรียกว่าเสียดแทง เน่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยแหละความมีร่างกายกระปรีก้กระเป่าแข็งแรงไม่มีโรคเนะี่ยไปความสุขไหมสุขไหม ส, สุขแล้วเสพอารมณ์อะไรไหรมืมันก็โปร่งเข้ามาเฉยๆใช่ไหมไม่มีอะไรเลยไปสุขไหมเป็นความสุขชนิดหนึ่งสุขแบบนี้นะสําคัญมากด้วย สุขแบบนี้แหละเป็นฐานรองรับให้สุขอื่นเนี่ยจะได้สวยอารมณ์ก็สุขจริงด้วยลองร่างกายเราเจ็บป่วยสิใช่ไหมถึงแม้เราจะเสพอารมณ์นะได้กินของหวานของหวนบางทีกินก็ไม่อร่อยถูกไหมมีโรคจะเสพอารมณ์อาริ่มจะอะไรบางทีบางทีมันกลายเป็นลำคาดบางทีมันกลายเป็นมันไม่ใจมันไม่อยู่มันไม่รับมัน มันไม่สามารถจะมีความสุขได้เลยยิ่งมีป่วยมีเจ็บมีไข้ามากเท่าไหร่ก็ยิ่งหนักครับอาจานั้นี้ถ้ามันปลอดโรคไม่มีความเจ็บป่วยอะไรเลยร่างกายสมบูรณ์โล่งเบาจะเสพสุขอะไรก็เสพได้เต็มทีถูกไหมเออนี่ความไม่มีโรคเนี่ยไม่มีการเสพอารมณ์เป็นความสุขอยู่ในตัวอา้าวหรืออย่างคนที่ ร่างกายเป็นอิสระเสรีไม่ถูกมัดถูกผูกไม่ติดขัดอะไรเนี่ยความเป็นอิสระเสรีปลอดโปร่งพ้นไม่ถูกกีดกันเนี่ยเป็นความสุขไหมเป็นไหมไม่มีการสวยอารมณ์เลยถูกไหมนี่เป็นความสุขชนิดหนึ่งนิพพานเะนท่านเทียบคือความสุขประเภทนี้ความสุขที่เป็นความเหมือนกับความมีสุขภาพดีไร้โรคความเป็นอิสระ ไม่ถูกกีดกัน้นบีบคั้นขัดข้องจองจําอะไรติดขัดอะไรทั้ ง, งนั้นนะเนี่ยนี่ความสุขประเภทนี้คือความสุขที่สําคัญที่สุดด้วยนี้พระอริยะเนี่ยท่านจะพัฒนาสุขประเภทนี้ขึ้นไปจึงกระทั่งไปพระอรหันก็คือเทียบภาษาร่างกายว่าไร้โรคเลยไม่มีโรคเลยถ้าเป็นมนุษย์บุตุชนนี่ท่านถือว่ามีโรคเท่านั้น แม้จะไม่มีโรคกายก็มีโรคใจรบกวนอยู่ทําให้กายเซให้สุขทั้งหลายเนี่ยไม่สมบูรณ์ทีนี้เมื่อพัฒนาไปเป็นผู้ไม่มีโรคก็มีความสุขที่เป็นความสุขแท้เนี่ยจะเรียกว่าไงก็แล้วแต่นะก็คือความปลอดทุกนั่นแหละที่จริงนําพองในแง่หนึ่งไม่มีโรคมันก็ปลอดทุกแต่มันก็คือความสุขไอความสุขชนิดนี้มันเป็นฐานอยู่เพราะฉะนั้น ท่านพัฒนาสุขประเภทนี้ขึ้นไปแล้วท่านก็มีความพร้อมจะเสวยสุกอื่นที่เป็นการเสพอารมณ์เนี่ยได้สุกจริงเหมือนอย่างพระโสดาบันที่ว่าท่านพัฒนาสุกที่เป็นความเป็นอิสระความปลอดโปร่งความไม่มีอะไรมารบกวนทิ่มแทงบีบคั้นอะไรเนี่ยนะก็เลยท่านก็เสวยสุกได้เต็มที่ก็จะเสวยสุกระดับไหนก็ได้ ทนี้ว่าเมื่อท่านพัฒนาไปจกนกระทั่งมีความสุขประเภทนี้สมบูรณ์นะก็อยู่ที่ท่านแหละท่านจะปรารถนาจะเสพสุขอื่นหรือไม่เป็นเรื่องของท่านแต่ปรากฏว่าพอเป็นพระอรหันต์ปรากฏว่าเป็นเรื่องของความสมัครใจท่านเองท่านไม่ยินดีที่จะเสพสุขอะไรประเภทที่เรียกว่ากามมันเป็นเรื่องของจิตใจท่านพ้นไปเองนะครการมีพระสูตรหนึ่งที่เปรียบเทียบ นะว่าอา้าวสมัยหนึ่งเนี่ยเด็กยังเล็กๆอยู่แกสนุกก็เล่นมูดขูดของตัวเองใช่ไหมสุขด้วยนะเด็กอะ เ, อเล่นมูดขูดนะมีความสุขแล้วผู้ใหญ่ไปเห็นเน่ยสุขไหมไม่รู้สึกเป็นสุขด้วยนะต่อมาเจ้าเด็กนะ่ะโตขึ้น ตอนนี้ไม่สุขกับการเล่นมูดขูดแลไปสุขกับเล่นดินเล่นทรายเล่นของเล่นอะไรต่างๆใช่ไหมตุกกตต๊ ก, กตาตุ๊กตาโอ้ยรักห่วงแหนไปนที่สุดจะเป็นจะตายเลยเชคไครไปแย่งไอ้ตุกก๊กตาบางทีมันแ ก, กน่กอดรัดจนกระทั่งมันสปกปรกอ่ะแกก็รักของแก่งั้นแหละนะแกไม่รู้สึกถึงความสปกปรกเปือเป้อนๆแหละรักเป็นที่สุดมีความสุขแล้วผู้ใหญ่รู้สึกสุขด้วยไหมไม่สุข การพัฒนามาคนละขัน้นเนี่ยต่อไปเด็กนี้โตเป็นหนุ่มสาวแกไปเห็นเด็กที่รักตุ๊กตาเครื่องเล่นอะไรตลัยห่วงแห่เนี่ยที่เด็กพวกนี้ไอ้ผู้ใหญ่ที่เด็กวัยรุ่นหรือโตเป็นหนุ่มสาวแล้วเนี่ยก็ไปแกล้งเด็กพวกนี้นะไปแย่งตุ๊กตาเมื่อตะไลสนุกหัวเราะเวลาเด็กมันร้องไห้หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะตัวเองไม่รู้สึกสุขหรือสนุกแบบเด็กแล้ว ใช่ไหมนี่คือพัฒนาไปขั้นโอทศเจ้าก็เปรียบตํานองนี้ว่าเมื่อพัฒนาไปขั้นมันจะมองเห็นคนที่สุขแบบกามเนี่ยเหมือนอย่างกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ไปเห็นเด็กเล่นคเครื่องเล่นเรืออะไรพัฒนาเปขั้นขั้นไปมันเป็นเรื่องของการพัฒนาที่เป็นไปเองไม่ใช่ว่าท่านไม่มีสิทธิ์หรืออะไรนะท่าน พร้อมอย่างยิ่งเพราะว่าสภาวะจิตใจอะไรของท่านเนี่ยบริบูรณ์พอจะเข้าใจมฮะสุขที่ว่าไม่ต้องเสพอารมณ์เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เราก็ย้อนมาดูเรื่องของสุขแบบเสพอารมณ์ทีนี้มองอีกแง่หนึ่งเนี่ยคนที่สุขจากเสพอารมณ์เนี่ย ยิ่งเราให้เกิดความต้องการแรงขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นในการเสพพระพุทธเจ้าเตรียบเหมือนกับคนเป็นโรคเรื้อนเลยเอาแรงหน่อยคนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยแกขันมากที น, นี้แกก็ทรมาน คันเกา่ายังไงเงี้ก็ไม่หายเนี่ยต้องไปจุดไฟผิงเลยเนี่ยไปจุดไฟผิงให้มันร้อนมากๆร้อนฉ่าแล้วก็ค่อยมีความสุขเก่าจนขยโยิ่งเกา่ายิ่งขันยิ่งขันยิ่งเกา่ายิ่งสุขสุขเพราะเกา่าเนี่ยนี่ต่อมาคนเป็นโรคเลือนเนี่ย ได้รับการรักษามียาดีหายโรคร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีถามว่าในคนนี้ยอยากจะหาความสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟไหมแล้วจากการเกาอย่างเกาไหมไม่เลย่เขาก่อนนี่เขาต้องจุดไฟเองหาทางที่จะไปย่างตัวมันงั้นมันแย่จริงๆใช่ไหมแต่พอเขาหายแล้วเนี่ยทีนี้ เขาหนีเลยถ้าไปก่อไฟอย่างงั้นจะให้เขาไปย่างนี่ไปฉุดเขามาเขาจะจึงสู้จึงพยายามดิ้นหนีเต็มที่เลยนไม่เอาเลยหนีอย่างเดียวเลยนี่คือสภาพเปลี่ยนไปนั่นก็มองในแง่นี้ก็คือสุขของมนุษย์บุตรชนเนี่ยเหมือนสุขของคนเก่าที่ขันยิ่งเล้าให้มันขันเท่าไหร่ก็ยิ่งหาทางเก่าหนักเข้าไปใช่ไหมฮะ แล้วก็จะได้ความสุขจากการเกาที่ขันนี่ทำอะไรมันไม่มีที่ขันที่จะเกามันก็หมดเรื่องไปนะนั่นมองในแง่นี้ก็เหมือนกับขำๆว่ามนุษย์ปุตุชนเนี่ยมีความสุขจากการเกาที่ขันและพระอรหันต์ก็เป็นผู้มีความสุขการที่ไม่มีที่ขันจะต้องเกาเพราองั้นอันนี้ก็เป็นอุปมาอันหนึ่ง อ้าทีนี้ก็มีเรื่องแสกแต่พอเห็นใช่ไหมฮะอ่าเพราะนั้นมนุษย์มันมีการพัฒนาได้หลายระดับเราจะเป็นนึกว่ามองคนหรือว่ามองธรรมชาติล้วจะต้องมีแค่นี้ใช่ไหมซึ่งคนเดี๋ยวนี้ก็จะมองคนเหมือนกันหมดเป็นระดับเดี๋ยวไม่เห็นในการพัฒนามนุษย์ว่ากิจใจปัญญามันจะพัฒนาไปได้ยังไงมงันมองไม่เห็นนี่เราก็มาดูาเรื่องของ มนุษย์ที่ว่าเจริญเนี่ยบางทีเขามองความสุขในแง่เดียวระดับเดียวเหมือนอย่างมนุษย์ปัจจุบั น, นขอย้อนกลับไปพูดเรื่องการเสพรสอาหารเอานะฮะนี่เป็นตัวอย่างเลยเนยเพราะว่าอาหารนี่ก็เป็นเวทยิทธสุขสุขที่เกิดจากการเสพอารมณ์มกันก็คือเสพรสอาหารนะเราเคยพูดกันแล้วว่าที่เรากินอาหารเนี่ย ความต้องการที่แท้มันอยู่ที่ไหนที่เราแยกไปแล้วความต้องการเขาบุคคลกับความต้องการของชีวิตเป็นความต้องการของอะไรของชีวิตชีวิตมันต้องการจะเป็นอยู่แล้วถ้ามันไม่มีอาหารมันอยู่ไม่ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ว่าบุคคลเนี่ยจะต้องการอาหารที่มีรสอร่อย แล้วบางทีก็มีค่านิยมมาทางสังคมความโก้ความเท่ความอะไรมีเกียรติหรือหรูหราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้แหละเจกกนกระทั่งบางทีมนุษย์เนี่ยลืมไม่ใช่บางทีหรอลืมกันเยอะเลยนะลืมว่าไอความต้องการที่แท้เนี่ยในการกินอาหารเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะความต้องการมันก็เล็งไปถึงคุณค่า คุณค่าเนี่ยมันก็เกิดจากความต้องการใช่ไหมฮะสิ่งที่มีคุณค่าเกิดจากความต้องการทีนี้ไอ้คุณค่ามันก็เลยกลายเป็นมีสองคุณค่าเพราะมันมีความต้องการของชีวิตที่ต้องการอาหารมันหล่อเลี้ยงบำรุงให้มันแข็งแรงมีสุขภาพดีมันจเจริญเติบโตได้กับความต้องการของบุคคลที่ อยากจะโก้อยากจะอร่อยอยากจะสนุกอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็เลยเกิดคุณค่าสองแบบคุณค่าที <S <S ่สนองความต้องการของชีวิตกับคุณค่าที่ต้องสนองความต้องการของบุคคลเราก็เลยแยกเป็นว่าคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมและท่านว่าอันไหนเป็นคุณค่าที่แท้ที่มนุษย์กินอาหารที่แท้มาเป็นความต้องการของชีวิตใช่ไหมก็คุณค่าแทมก็คือสนองความต้องการของชีวิต ให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีจเจริญเติบโตส่วนคุณค่าที่เกิดจากการสนองความต้องการของบุคคลอะไรเนี่ยเป็นคุณค่าเทียมแล้วสองอย่างเนี่ยถ้าคนไม่รู้เท่าทันมันก็ขัดแย้งกันอย่างที่เคยพูดเลยใช่ไหมะคนที่ไม่รู้เข้าใจความจริงเนี่ยบางทีก็กินเพื่อสนองความต้องการของบุคคลเรื่องการอร่อย ต้องการโกเทอะไรต่ลไสิ้นเปลืองเงินทองมากมายแล้เบียดเบียนชีวิตตัวเองด้วยกินอาหารอร่อยแต่เป็นภัยต่อชีวิตใช่ไหมสุขภาพก็ยิ่งโทรมเป็นโรคเป็นโรคอะไรก็แย่ไปเลยนะแล้วอย่างนี้คนไหนฉลาดฉลาดแท้อยู่ที่ไหนก็ต้องรู้ความจริงใช่ก็คือว่า คุณค่าที่สองความต้องการของชีวิตที่กินอาหารเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้แข็งแรงมีสุขภาพดีจเจริญเติบโตแล้วก็ซ่อมแซมส่วนสึกหรอไม่ให้เกิดโรคภัยเนี่ยมันเป็นคุณค่าที่แท้จริงเมื่อความต้องการที่แท้ประโยชน์ที่แท้มันอยู่ที่นี่การกินอาหารมันก็ต้องทำให้ได้คุณค่าและประโยชน์อันนี้จริงฮะเป็นฐานก่อน ส่วนไอ้เรื่องจะได้อรรถอร่อยก็หรูหราแค่ไหนมันเป็นเรื่องรองแล้วถ้าคนไปเอาแต่คุณค่าเทียมที่สนองความต้องการของบุคคลมุ่งแต่อรรถอร่อยแล้วก็ก้หรูหราโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของชีวิตจนกระทั่งไปบั่นรอชีวิตของตัวเองอย่างนี้จะเรียกว่าฉลาดหรือเ่าฉลาดได้ไหมฮะไม่ได้เลยเนี่ยแล้วมนุษย์ยุคนี้เนี่ย บางทีไม่ได้คำนึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมเออแล้ว ก, กลับไปนึกว่าตัวฉลาดนั้นที่แท้แล้วมันต้องให้ได้อ น, นี้ก่อนนี่ก็คือมันนี่มันเป็นความจริงแท้เลยว่ากินอาหารเนี่ยอาหารก็คือเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตในส่วนร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มีสุขภาพดีไม่มีโรคจะเริมเติบโตและจะได้ใช้ร่างกายทาอะไรก็ได้นอันนี้มันต้องให้ได้ ตัวเกณฑ์มาตรฐานต้องอยู่ที่นี่ใช่ไหมทีนี้เมื่อได้เกณฑ์มาตรฐานนี้แล้วคุณจะไปตกแต่งรถอะไรแต่ไรก็เป็นส่วนเสริมไปถ้ามันไม่เสียอันนี้ใช้ได้แต่ถ้าเสียอันนี้นะคุณไปแต่งรถแต่งรถใช้สารเคมีอะไรแต่ไรแล้วกลับมาทำให้ร่างกายอ่อนแอเสื่อมโท้มเป็นพิษต่อร่างกายใช่แล้วไปกินอาหารอะไรเหล้าเลาบางอย่างแก้วละแสนเลยเหรือขวดละแสนเลยนะ เสร็จแล้วร่างกายไม่ได้ประโยชน์เลยกับบร่ทอนชีวิตของตัวเองสุขภาพเสืมสม่อมโทรมเอ๊ะอย่างนี้มันก็กลายเป็นว่ากินไม่ได้ถูกหลักอะไรไม่ถูกต้องตามความจริงที่แท้อะไรเลยใช่ไหมมันอันนี้ต้องถือว่าผิดไม่มีเกณฑ์มาตรฐานผิดเลยก็ถั้งนั้นต้าเอาตัวเกณฑ์มาตรฐานนี้ก่อนต้องให้ได้อันนี้ให้ได้คุณค่าประโยชน์ต่อชีวิตร่างกาย แล้วไอ้ส่วนที่เสริมเนี่ยจะเป็นในแง่ของรถอร่อยหรือในแง่ของโกเกะสังคมไรค่านิยมก็ให้เป็นส่วนเสริมกราบใดที่ยังไม่ขัดอันนี้ก็พอรับได้แต่ถ้ามันขัดมันทำลายก็แสดงว่าผิดพลาดแน่นอนถูกแต่ทีนี้ถ้าให้ดีเราควรจะรู้ทันเราก็จะรู้ประมาณท่านเรียกว่ารู้ประมาณรือความพอดีในการบริโภคนั่นเองก็คือว่า เราให้ได้ก่อนกินอาหารแล้วให้ได้ประโยชน์ต่อชีวิตร่างกายส่วนต่อจากนั้นก็ไอการปรุงอร่อยก็ทําให้พอสมควรอย่าให้มันเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นนอกจากเบียดเบียนตนแล้วอย่าให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยเบียดเบียนธรรมชาติแวดล้อมด้วยเพราะว่ากินเอาแต่โก็รู้หลาคหานิยมมากไปมันเบียดเบียนกันใช่ไหมฮต้องแย่งต้องชิงต้องใช้ทรัพยบมากแล้วก็ต้องทําลายธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติกเสียมา นี่ถ้าเราได้หลักนี้เกณฑ์มันมีเป็นมาตรฐานแล้วก็เบานีมนุษย์สมัยนี้บางทีไม่มได้คิดหลักนี้เพราะนั้นเขาอาจจะไปมีความคิดลีเริ่มแล้วก็บอกแหมคนนี้มีความคิดลีเริ่มดีพัฒนาอาหารอย่างนั้นอย่างนี้นะให้อ ร, อร่อยถ้าตราบใดเขายังไม่เสียไอ้เนี่ยนะเขาคํานึงไปด้วยว่าเขาจะพัฒนาอาหา ร, อ ร, อ, รอร่อยอย่างไรก็ตามแต่ว่าต้องคํานึงถึงประโยชน์ต่อชีวิต คุณค่าต่อชีวิตร่างกายก็อย่างดีแต่ถ้าเขาไม่คำนึงอันนี้แล้วทำให้เสียก็แสดงว่าไอ้ความคิดนิ้เริ่มความฉลาดในทางธุรกิจนี้ใช้ไม่ได้ถูกไหมฮะเสียเกณฑ์มาตรฐานมันต้องมีเพราะะนั้นมนุษย์ยุคนี้ก็จะไม่มีเมื่อไม่รู้หลักไม่ได้คิดถึงไอ้ตัวหลักความจริงอันนี้เนี่ยอารยธรรมจะมีประโยชน์อะไรมนุษย์จะเลยขึ้นมาแล้วไม่ได้เรื่องวยลาว นี่มองในแง่อาหารเป็นตัวอย่างแปลนี่ผมยกตัวอย่างก็เห็นว่าอาหารเท่านี้แหละมนุษย์ก็ยังจับจุดจับหลักอะไรอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความเจริญทางปัญญาที่แท้ไม่ได้นมนุษย์จะบอกว่าฉลาดยังไงถ้ามันจับไอความจริงอันนี้ไม่ได้มันจะถือถือว่ามีปัญญาจริงได้อย่างไงใช่ฮะเรื่องอื่นก็เหมือนการเรื่อง ปัจจัยสี่เรื่องเครื่องใช้เทคโนโลยีนี้ยุคนี้กําลังเป็นยุคที่มีปัญหาอีกเรื่องก็คือเรื่องเพศก็ถือโอกาสเอามาพูดซะด้วยเลยวันนี้อาจจะตอบคําถามท่านไม่จบก็ได้นะีเพราะมันเป็นเรื่องของยุคสมัยที่เราควรจะพูดกันคนเราควรจะมาพูดกันในแง่ความรู้สติปัญญาไม่ปล่อยทิ้งไว้เพราะสังคมมันเสื่อมโทรมเรื่องนี้มาเดี๋ยวนี้เขามีคําว่าเพศสัมพันธ์ คำว่าเพศสัมพันธ์นี้เพิ่งเกิดในยี่สิบสามสิบปีแต่ก่อนก็ไม่มีคำนี่ก็พยายามพูดมัอนอะไรเขาเรียวกว่าสื่ภาพหน่อยแต่ก่อนก็มีร่วมประเวณีบ้างเรื่องอะไรบ้างศัพท์มันก็มีแต่ว่าศัพท์พื้นฐานเดิมก็คือคำว่าสืบพันธุ์ใช่ไหมทีนี้ไอ้เพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นศัพท์ที่ชวนให้หลงได้ง่ายนะฮะสืบพันธุ์นี่ตรงเป่งเลย จริงไม่จริงท่านพิจารณาดูนะเอาตามความจริงเพศสัมพันธ์ทั้งหมดนี้สาระที่แท้มันอยู่ที่ไหนเออที่พิจารณาแบบเดียวกันเรื่องกินอาหารเพศสัมพันธ์สาระมันก็คือสืบพันธ์นั่นเองถูกไม่ถูกมันเป็นความต้องการของชีวิตที่ยังมีความยึดมั่นที่จะสืบพันธ์จะดำรงอยู่ ไม่ยอมสิ้นสูดไปนี่เร า, าลองดูนะคนเราในทีแท้ก็คือร่างกายนียมันต้องการอาหารแล้วกลไกลในทางเหตุปัจจัยเนี่ยทาให้เกิดความหิวแล้วก็กลไกลเนี่ยมันทําให้เกิดรสชาติในการกินให้อร่อยไอ้การที่มีรสอร่อยก็ทําให้คนเนี่ยพยายามขนไถ่เพื่อจะได้กินใช่ไหมร่างกายก็ได้ทรัพย์สนอง ถ้ามันไม่มีรสชาติอาหารเนี่ยบางทีคนไม่เอาใจใส่ที่จะกินเชื่อไม่เชื่อลองเอาอะไรมาเคี่ยวดีกลายเป็นเละเทจริงไม่จริงนะเอาอะไรเนี่ยมาเคี่ยวดูสิเนอะโอ้เละเทอย่างนี้กลายเป็นว่ามองอยแง่นหนึ่งน่าเกลียดที่มันดีอยู่ได้เพราะมันมีรสจริงไม่จริ ง, รงอ้าวเนี่ยในแง่หนึ่งเราก็พูดเป็นภาษาตีคลุมกคำปั้นทุบดินว่า มันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติมันทำให้เกิดให้การรู้สึกรสเพื่อจะให้คนเนีกินเหมือนกับธรรมชาติเนี่ยมันมาหลอกคนนั่นเองให้มีรสมันจะได้กินมะงั้นคนมันไม่กินนะตกลงที่จริงนะมันเป็นกลไกลของธรรมชาตินี่พูดแบบภาษาคลุมคุมนะฮะไม่ไปต้องพูดละเอียด กลไกธรรมชาติมาทำให้มีรสขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนนี้หาทางกินถ้ามันไม่มีรสแล้วคนมันจะไม่กินแล้วร่างกายมันก็แย่สิใช่ไหมเออและที่จริงนะถ้าไม่มีรสสัอย่างคนก็จะพยายามไม่กินอะหลีเกเลี่ยงเนี่ยมันเละเอะเทอะแล้วมันยุ่งพิลึกเนี่ยนี่คนนะเพื่อจะได้รสอย่างเดียวแล้วโอ้อุตสาห์ทำตกแต่งเสียเวลาต้องไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหม พยายามเหนื่อยเพื่อจะได้เสพรสเท่านั้นเองกระเสพรสก็เลยคนก็ไปติดที่รถอาหารแทนที่จะไปมุ่งจุดหมายที่แท้ก็คือที่แท้แล้วเนี่ยมันมีสองชั้นให้เราจะต้องการเสพได้รสเนี่ยที่จริงก็คือเราถูกธรรมชาติหลอกเพื่อเราจะได้กินและเสร็จแล้วร่างกายมันจะได้ได้อาหารใช่ไหมเนี่ยว่าไปแล้วถ้าจะพูดอีกสำนวนหนึ่งก็คือถูกธรรมชาติมันหลอก นี่ถ้าเรารู้เข้าใจจริงเราก็รู้ทันธรรมชาติซะอีกชั้นว่าไอ้ที่จริงการมีรสมีชาติอะไรที่จริงมันก็คือเพื่อให้ได้กินอาหารเสร็จแล้วก็คือเพื่อให้ร่างกายมันอยู่ดีชีวิตยอยู่ได้เท่านั้นแหละนะแล้วล อ, ล, อลองมาดูเรื่องเพศสัมพันธ์ทํานองเดียวกันไหมนะคือไอ้มนุษย์ที่ต้องการขอภายชีวิตที่ต้องการสืบพันธุ์เนี่ยใช่ไหม ถ้ามันไม่มีรถมีชาติเนี่ยมนุษย์มันก็จะไม่ยอมสืบพันจริงไม่จริงนะมันก็แย่สิใช่ไหมชีวิตมันก็ไม่สืบต่อมันก็มีกลไกทางธรรมชาติมาทําให้เกิดเรื่องหลอกล่อมนุษย์ทําให้มีรถมีชาติต่อไปมาม า, มาไปไปมนุษย์มาติดในเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกว่าเพศรถสมาติดในตรงนี้และทีนี้มนุษย์ก็ลุ่มหลง แบบเดียวกับอาหารน่ยุ่มหลงในรถอาหารจนกระทั่งว่าไม่ได้คำนึงว่าไอ้ความมุ่งหมายที่แท้ จ, จริง ก, ก็เพื่อชีวิตเสร็จแล้วมนุษย์นี่ลืมไปเลยว่าสาระของเหตสัมพันธ์ไน้ยอยู่ที่การสืบพันธุ์ก็กลายเป็นจะหารถจากเพศสัมพันธ์เนี่ยโดยไม่สืบฝันกลับจะไปป้องกันจะพยาามหาทางเลี่ยงเพื่อไม่ให้ชีวิตมันได้สิ่งที่มันต้องการถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้มนุษย์มันเป็นอย่างนี้ คือไอ้ตัวจริงที่แท้แก่นสารของตัวการมีเพศสัมพันธ์ก็คือการสืบพันธุ์เนี่ยกำลังถูกมนุษย์พยายามหาทางเลี่ยงหนีเพราะมนุษย์ต้องการเซเพศรถอย่างเดียวนอาจจะต้องการความอบอุ่นด้วยหรือเปล่าครับในส่วนหนึ่งที่ต้องการแบบนั้นอาจจะไม่ไม่อยากได้ได้บุตรใช่ไหมคนระับ ต้องการความอบอุ่นอย่างเดียวอเอาก็ยังดีอย่างหน่อยความว่ามีความประนีเป็นชั้นๆแต่ถึงยังไงก็ตามเพศสัมพันธ์ที่แท้ก็เราก็ต้องรู้ว่าตัวสาระที่แท้อยู่ที่ไหนก็ตอบไม่ผิดเลยใช่ไหมก็คือการสืบพันธุ์ส่วนอื่นนี่มันมาเป็นตัวประกอบข้างเคียงจะเรียกว่ามีโทษมากโทษน้อยก็ว่ากันไปอีกทีเลยนะก็ยังดีหมายความว่ามนุษย์มีวัฒนธรรม รู้จักให้มีของการมีครอบครัวความอบอุ่นในครอบครัวแต่มนุษย์ยุคนี้เพราะไปติดเรื่องเพศรถอย่างเดียวแม้แต่ความอบอุ่นในครอบครัวก็กำลังจะทํำลายด้วยถูกไหมคือมันจะเสียหมดเลยเอาละทีนี้เราลองมาเทียบเรื่องนี้ดูนี่ก็มนุษย์ถ้ามีอรารยธรรมมันน่าจะจับไอตัวสาระนี้ได้เมื่อเราจะกินอาหารมนุษย์ที่ฉลาดรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติ มันจะต้องอยู่ที่ตัวมาตรฐานที่แท้ก่อนก็คือจะทำไงให้อาหารเนี่ยมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับชีวิตให้ร่างกายมีสุขภาพดีแข็งแรงอันนี้ต้องเป็นอันที่หนึ่งก่อนส่วนเรื่องอื่นเรื่องรถเรื่องอะไรต้องเป็นรองใช่ไหมอันนี้คือต้องจับหลักได้กาแสดงว่ามีปัญญาจริงเข้าถึงความจริงของมันถ้าเรา ทำอาหารกินอาหารโดยที่คำนึงถึงตัวหลักการที่แท้คือการบำรุงร่างกายมุ่งความมีสุขภาพแข็งแรงนี้ก่อนแล้วอื่นนี้เป็นตัวประกอบทีนี้มาเรื่องเพศสัมพันธ์เนี่ยการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยควรจะคำนึงถึงอะไรก่อนแล้วอันอื่นจะได้เป็นเครื่องประกอบเวลานี้มนุษย์ไม่ได้คำนึงถึงจุดนี้ก็จะไปลุ่มหลงในเรื่องปลีกย่อย เรื่องที่เป็นส่วนเกินเลยที่ธรรมชาติมันหลอกเป็นกลไกของมันที่จะให้มนุษย์มีเรื่องนี้เพศสัมพันธ์เนี่ยนะส่วนไอ้ตัวแกนการสืบพันธุ์นี่มันถูกมนุษย์นี่พยายามหลีกเลี่ยงนี่ถ้าแกนเขามันคือการสืบพันธุ์มันก็จะต้องมาคำนึงว่าทำไงจะได้พันธุ์ที่ดีต้องมาคิดนี่ก่อนถูกไหมเออมนุษย์มันต้องมาคิดอันนี้ว่าเออสาระของเพศสัมพันธ์คือการสืบพันธุ์ เพราะนั้นทํายังไงจะให้ได้พันธุ์ที่ดีเนะียได้พันธุ์มนุษย์ที่ดีแข็งแรงมีสุขภาพดีมีปัจจิปัญญาฉลาด <c oughs> มันควรจะคิดที่นี่ก่อนเพศศึกษาเดี๋ยวนี้มันต้องมาคิดอันนี้ได้ต้องยังไงก็จะไปลืมจุดนี้ให้เด็กรู้ว่าเพศสัมพันธ์นั้นตัวสาระมันอยู่ที่การสืบพันธุ์แล้วก็ต้องจับแกนอันนี้ให้ได้ อันนี้เดี๋ยวนี้ไปเอาอะไรก็ไม่รู้เรื่องเปลีกย่อยนะเพศศึกษามันก็ไม่เข้าเรื่องไปเอาอรเรื่องที่มันไม่ได้ตัวสาระที่แท้อันนี้จับสาระให้ได้อื่นก็มาประกอบนะแล้วมันก็จะมีตัวมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่จะวัดว่ามันเฉมันผิดมันพลาดหรื อ, อยังนี่เราต้องการให้ได้พันดีทำไงนี่แหละ มันก็จะมาถึงเออคนควรจะมีอายุเท่าไรใช่ไหมแล้วควรจะแต่งงานเมื่อไรอะไรแต่ไรวัฒนธรรมมันก็มนุษย์สมัยโบราณแม้จะไม่ฉลาดอย่างปัจจุบันก็ยังรู้จักคิดเรื่องนี้ใช่ไหมรู้ว่ามันเป็นการสืบพันธุ์เพรานั้นก็จะทําไงให้ได้พันธุ์ดีการสืบพันธุ์ตรงตระกูลอะไรต่างๆอย่างแม้ไม่ได้มองรายละเอียดว่าทําไงจะได้เด็กฉลาดอะไรเนี่ยนะเขาก็ยังมีความคิดเรื่องนี้อยู่ ให้วงตระกูลอะไรจะอะไรมันมั่นคงเลยเนี่ยนะดังนั้นก็ต้องจับสาระให้ได้ทําไงจะได้ให้ได้พันธดีก็จะได้วางแนวได้ว่าเออการแต่งงานมันมีหลักการอย่างนี้ เ, นเด็กควรจะได้เล่าเรียนศึกษาวัยนี้ควรอย่างงี้อะไรเนี่ยนะมีเพศสัมพันธ์กันเมื่อไรอะไรต่อเลยเพราะตอนนี้มันจับหลักไม่ได้มันก็พุ่นไปหมดไม่รู้จะเอาอะไรเลยนะ พอจับหลักได้นะก็มาคิดถึงการได้พันธุ์ที่ดีทีนี้เราก็ไม่ต้องไปรอไอ้เทคโนโลยีด้าน g e n e t i c a l engineering นะอย่าง GMO เป็นต้นใช่ไหมไอ้นี่ก็พยายามตัดแต่งพันธุกรรมเพื่อจะให้ได้พันธุ์ดีเหมือนกันมนุษย์เขาก็คิดเหมือนกันพันธุวิศวกรรมใช่ไหมพยายามที่จะหาทางแต่ว่าไอ้นี่มันยังไม่มีความมั่นใจอะไรหรอก อยมไปรอนะก็ให้เขาทําไปเขาทดลองค้นคว้าไปนักวิทยาศาสตร์พันธุวิศวกรรมจะหาพันธุ์ดีเลยช่างเขาแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรรอก็คือชีวิตที่เป็นอยู่เนี่ยรอไม่ได้นะระบบการเป็นอยู่ของมนุษย์มีครอบครัวมีอะไรตามธรรมชาติเนี่ยใช้ระบบธรรมชาตินี้มาหาทางทําไงจะให้ได้พันธุ์ที่ดีนะฮะก็ต้องคิดกันในแง่นี้ถูกไม่ถูก แม้ควรจะคิดได้มาตรงนี่มนุษย์มิ้งมีอารอยธรรมกํานะกลังถูกเรื่องปลีกย่อยเนี่ยหลอกหลงไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแม้แต่คําประเภทสัมพันธ์ก็เป็นคําที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาบางทีกลายเป็นเรื่องหลอกตัวเองให้เขวอจากไอสาระที่แท้ของเรื่องและมนุษย์ก็ถูกคนมองในแง่หนึ่งก็เหมือนถูกกลไกของธรรมชาติเนี่ยหลอกนไปอยู่กับเรื่องสเพรหะเรื่องปลีกย่อยแล้วเป็นรุ่มหลงกับเรื่องเนี้ยนะ อย่างไอ้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นเรื่องที่มาทําลายอย่างที่เคยพูดมาทําลายศักยภาพของตัวเองเพราะไป็รุ่มหลวงกับไอ้เรื่องที่ธรรมชาติมันหลอกใช่มสุดแล้วศักยภาพของมนุษย์ที่สามารถพัฒนาชีวิตพัฒนาทักษะพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาอะไรต่ออะไรขึ้นไปเยอะแยะเลยถูกละเลยหมดเลยเอาเวลาไปสิ้นเปลืองทิ้งหมดเลยใช่ไหมตายเปล่าอา้าวท่านมีอะไรไม่คุยกัน เรื่องนี้ควรจะพูดกันให้ชัดนะเพราะยุคนี้มันแย่เต็มที่แล้วมนุษย์มันลุ่มหลงออกไปไม่รู้อะไรเป็นอะไรบอกว่าจเจริญมีความรู้ไม่รู้อะไรรู้อะไรจับหลักไม่ถูกนี่ถ้ามันจะมีเรื่องเพศเรื่องอะไรก็ตามมันต้องให้อยู่ที่แกนนี้จับให้ได้ก่อนใช่ไหมเมื่อแกนนี่คุณยังได้เออพอรับได้ถ้ามันไม่ได้แกนไม่ได้สาระอันนี้เลยก็แสดงว่ามันเหลวไหล ไม่มีทิศมีทางเลยว่าอย่างไงล่ะครับจะได้เข้าเรื่องทุกสู่ของท่านอริยญาณโนโมีแหมฮะเพราะเรื่องนี้สำคัญนะในยุคปัจจุบันเนี่ยควรจะชัดแล้วฟังฟังดูเพศศึกษาไม่ไม่รู้จับอะไรไป พ, พูดเรื่องอะไรทั้งไรคอนดอ ม, ค อ, ดอมคอนดอมเลยไปยโน่นนะมันมันมันไม่ได้จับที่ตัวจุดที่แท้เนะี่ย ก็แปลว่ากินอาหารตัวสาระที่แท้ก็คือว่าต้องการได้สิ่งที่จะมาบำรุงเลี้ยงร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีเกณฑ์มาตรฐานก็คือจะทำอาหารยังไงก็ตามคุณจะต้องคำนึงถึงนี้ก่อนคุณภาพของอาหารนั้นนะที่จะให้เกิดประโยชน์กับชีวิตร่างกายเพศสัมพันธ์ก็เหมือนกัน สาระของมันคือการสืบพันธุ์คุณจะต้องมาคิดเรื่องทําไงจะได้พันธุ์ที่ดีนะนวส่วนอื่นเป็นเรื่องปลีกย่อยแล้วก็คุณต้องคิดให้ถูกมาพิจารณาอันนี้ท่านมีอะไรไหมครับขอพ อ, อเรื่องเพศนี่เด่นนะประเดี๋ยวเพื่อก็คือจุดมุ่งหมายหลักที่ที่ทา่านที่บุญคุยให้ฟังก็คือมันเลือนไปว่าจุดมุ่งหมายรองเด่นขึ้นนะครับคือมันคามันมันทําให้เกิดความคลุมเครือ สับเดินเนี่มันชัดมันตรงเป้าเลยอันนี้มนว่างไงแล้วก็พอเรื่องนี้เด่นขึ้นไปรุ่นเขาก็ก็มีความสนใจทางเพศมากาแล้วก็มีข่าวว่าต้องไปบอมบัดความต้องการกันบนรถเมล์นะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตนนี้ทราบว่าเขาาสติ๊กเกอร์ติดบนรถเมล์ครับเขียนทํานองว่าผู้หญิงควรรักนวลสมวนตัวประมาณ น, นี้ครับแล้ง ก, การแก้ปัญหาของเราก็คงจะ ให้มันรัดกลุมกว่าการติดสติกเกอร์อนะคก็คือต้องหลงลึกอันั้นก็เป็นการแป้แก้ปัญหาที่เราปลายเหตุแต่มันก็ต้องทําไม่ใช่ว่าจะเว้นถึงหมายความทำอะไรได้ก็ทํากันไปแต่ว่าอย่าลืมลึกลงไปต้องแก้ถึงต้นเหตุด้วยอย่าแก้ปัญหาอยู่แค่ปลายเหตุต้องตลอดสายลงไปตั้งแต่ปลายเหตุจนถึงต้นเหตุใช่ไหมแล้วจะแก้ได้จริงต้องถึงต้นเหตุ นี่มนุษย์เนี่ยตอนนี้ถ้ามาพูดอย่างนี้เด็กมันก็อ้างเอ้ยสิทธิมนุษยชนต่อไปมันไม่เอาด้วยล่ะรักงดสงวนตัวอะไรล่ะฉันมีสิทธิมนุษยชนคุณอย่ามายุ่งพวกนั้นนะใช่ไหมครับซับสองอีกใช่อ่สอนให้เด็กมันมีปัญญารู้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เรื่องของมนุษย์นี่เรื่องไหนมันคืออะไรสาระมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมอ่แล้วเด็กมันเถียงได้ไหมเพศสัมพันธ์ในสาระที่แท้มันอยู่ที่การสื่อผุ่์ <l oss> และการเ <l oss> บี่ยงเบนผิดธรรมชาติหรือไม่ดูได้จากจุดนี้ใช่ไหมฮะก็ก <l oss> <l oss> ็มันมีเรื่องนี้มันเพื่อสืบพันธุ์แล้วคุณไม่ใช่เพื่อสืบพันธุ์มันแล้วมันเพื่ออะไรล่ะใช่ไหมมันก็คือเพื่อไอถูกกรรมธรรมชาติหลอกบังกลไกลอะไรอื่นเรื่องสเพระเข้ามาควรพูดกัให้ชัดเพราะว่าปล่อยไม่ได้เรื่องราวเหล่านี้สังคมมันไปกันใหญ่ ครับก็อยากจะคอเสริอีกนิดนึงนะครับคือ uh huh. จากที่ครัผมได้เห็นเปรียบเทียบ uh huh. ในต่างประเทศนะครับซึ่งเราดูว่าซึ่งผมมองแล้ว1ก็คือว่าเรื่องของปรตโตโคสานะครับ uh huh. ในเมืองไทยที่ยังมีปัญหาส่วนที่2ก็คือย uh huh. ุนิสวงมนตรการของตัวเด็กเองนะครับส่วนเรื่องปรตโตโคสานั้นในต่างประเทศที่ผมเห็นเนี่ย uh huh. การควบคุมสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์อะไรก็ดี uh huh. นะครับก็จะมีการกำกับเรื่องอายุ อย่างเข้มงวดเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะต้องผ่านกองการเซ็นเซอร์นะครับว่าเหมาะสมสําหรับเด็กอายุตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่บ้านเราเนี่ยครับเปิดมากครับ mm hmm. คือหนังบางเรื่องเนี่ยไม่ควรจะให้เด็กต่ากว่า18ได้ดูได้หรือต่ํากว่า21เ็นี่ยไม่ควรดูแต่บ้านเรานี้ไม่มีการควบคุมตรงนี้เลยครับ mm hmm. ก็เลยว่าส่วนหนึ่งก็ทําให้ เด็กที่เขาไม่มียูนสิสวมมนติการในตัวเนี่ยก็หลงไปกับปรตโตโคสะตรงนี้ครับกินสังคมไทยเคยพูดอยู่เรื่อยๆมันคือมันเป็นสังคมที่ว่าอยู่อย่างกันเองนะฮะมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เนี่ยเป็นสำคัญเราจะมีเรื่องของค่านิยมในความสนุกสนานค่านิยมสนุกสนานก็คือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ดี แต่ในแง่ของกฎเกณฑ์หลักการเนี่ยเราจะไม่เอาซึ่งตรงข้ามสังคมฝรั่งสังคมฝรั่งมันถือกฎเกณฑ์กติกาเป็นใหญ่มันไม่เอาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ใช่ไมเนยเนี่ยเนยสังคมสองแบบเนี่ยไปอเมริกานี่ดูระหว่างคนขาวคนดําก็เห็นความแตกต่างชัดผมไปตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยผมก็เห็นแล้วเอายกตัวอย่างง่ายๆนะไปในถิ่นคนวิวขาวนี่นะฮะ บ้านในยเนยอะแยะเรียงรายกันเนี่ยไม่มีคนอยู่บ้านนอกบ้านสักค น, เ, นเงียบเลยเดินแล้วสะอาดสะอา้านเดินไปเถอะไม่มีคนอยู่นอกบ้านพอไปถินคนดํามายืนกันอยู่ไอ้ที่บันไดเน่ยเป็นกลุ่มเลยเต้นงอกงแ ง, ง๊กคุยกันสนุกสนานนี่คือ วัฒนธรรมที่ต่างกันมาทาั้งๆที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะไม่เหมือนกันเลยไปทีไรทีแรกก็จะเห็นเด็กผิวดำเนี่ยแกจะชอบมากเรื่องดนตรีเรื่องสนุกสนานเดินไปตามทางเท้าเนี่ยนะถือวิทยุไปด้วยเปิดดังแล้วแกก็เต้นงอกงอกแงแงะาทีมีไม้แกะก็าดโนฟาดนี่ไปสนุกนี่ นะเป็นคนละแบบคนไทยเรานี่ก็ชอบสนุกสนานนะอยู่เงียบๆไม่ได้ต้องมานั่งคุยกันมาเข้ากลุ่มจับกลุ่มใช่ไหมนะีฝรั่งไม่ได้ชอบอยู่เงียบๆプラเวสีนะศัพท์ฝรั่งมีศัพท์สำคัญプพイเวสีอย่ามายุ่งนะถือสิทธิส่วนบุคคลนะของเราไม่ค่อยถือสิทธิบุคคลนะเพราะฉะนั้นของเราไม่ค่อยมีระบบพิทัก ษ, ษ์สิท วัฒนธรรมต่างกันเยอะทีนี้เราเนี่ยกําลังจะเอาครึ่งๆกลางๆไอ้ในงแง่นหนึ่งก็ไม่ค่อยเอาเรื่องไอ้สิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เอาไอร้ระบบสิทธิมนุษยชนมาแล้วก็จะเรียกร้องมันก็สับสนหมดนะฝรั่งมันเป็นอย่างนั้นเองพื้นฐานเขานี่ยเมื่อเขาต่างคนต่างอยู่ตัวใครตัวมันรักษาสิทธิส่วนบุคคลแกจะมาลุกล้าสิทธิข้า ข้าซูเลยนะสับฝรั่งจะมีซูด้วยนะมาทำอะไรพลาดเพลิดนะอย่างเด็กบ้านนี้นะไปเล่นบ้านโน้นไปกินอาหารบ้านโน้นแล้วท้องเสียไอพ่อแม่บ้านนี้สู่พ่อแม่บ้านโน้นคนไทยเราโอยแหมก็ว่าเด็กตัวเองเลยใช่ไหมว่าทำไมไปไม่รับมัดระวังอะไรแต่อะไรก็ถือว่าเพื่อนบ้านเขาก็ตั้งใจดีอะไรแต่ไหนนะะ ฝรั่งไม่เอาหรอกฮะไปเดินลมหน้าบ้านเขาไม่กวาดหิมะให้ดีก็สู้เจ้าของบ้านใช่ไหเพราะนั้นวัดพระไปอยู่เนะ่าจะต้องกวาดลานหน้าวัดให้ดีถ้าใครมาล้มหน้าวัดเขาไปฟ้องขึ้นศาลเรียกค่าเสียหายนะไม่รักษาที่ของตัวให้ดีแล้วทําให้เขาต้องบาดเจ็บโอ้ฝรั่งนี่สู้เป็นเรื่องใหญ่สู้กันจริงเลยนะฮะ สูงก็คือฟ้องเรียกคาเสียหายเขาถือระบบพิทัก ษ, ษิตของเรามันเป็นเอื้อเฟื้อต่อกันมีความสัมพันธ์ทางสังคมนะมันคนรับบบเพราะฉะนั้นของเขาเนี้ต้องใช้กฎหมายกฎเกณฑ์กติกาอย่าละเมิดเอากฎเกณฑ์เป็นวัตฐานเป็นบรร ท, ทัดฐานนะว่าใครผิดใครถูกนะของเราเอื้อเฟื้อกันไปการเองหนะไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆใช่ไหม เออดังนั้นเราก็เลยไม่ค่อยถือกฎกติกาเพราะฉะนั้นกฎกติกาในเมืองไทยนี่รักษายากเพราะคนเรามันเอาเรื่องส่วนตัวเอาเรื่องสังคมความเอื้อเฟื้ออะไรต่ออะไรพูดจากันอะไรอย่างเงี้นะมันก็เลยลําบากทีนี้ฝรั่งเราจะเห็นว่าเขาถือหลักเขาเรียกว่า the rule of law นะฝรั่งนี่จะเชิดชูมากอันเนี้ย rule of law ก็ถือกฎหมายเป็นใหญ่การปกครองกันด้วยกฎหมาย ให้ฟังเอออารยธรรมตะวันตกอเมริกันอะไรพวกเนี้จะต้องเชิดชูนักรูน อ, บอับโอแล้วก็ให้ระหว่างประเทศเนี่ยจะต้องเข้ากฎนี้ของเขาให้ได้แล้วประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยรูน อ, บอับโลเนี่ยประชาธิปไตยก็ต้องอยู่ด้วยกติกาใช่ไหมอันนั้นรูน อ, บอับโอนี่เป็นศัพท์ใหญ่อย่างยิ่งของฝรั่งนักการเมืองไทยบางคนก็พยายาม ที่จะเอามีมาใช้แล้วก็แปลรูนอบหลอว่านิติธรรมบ้างอะไรบ้างหลักนิติธรรมจริงๆรูนอบหลอก็คือการถือกฎหมายเป็นใหญ่หรือปกครองกันด้วยกฎหมายก็คือธรรมมาธิปไตยสับพระทิแทก็คือรูนอบหลอกก็คือกาว่าธรรมมาธิปไตยถือธรรมคือตัวหลักการเป็นใหญ่อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่มันต่างกันนะ ก็แปลว่าฝรั่งนี่โดยเฉพาะอเมริกันถือรัฐทิปัจเจกนชนนิยมตัวใครตัวมันนะแล้วถือกฎกติกาเป็นใหญ่เอากฎกติกาเป็นเกณฑ์วัดแล้วก็พิทักษ์สิทธของแต่ละขนยลรเมิดกันส่วนของเรานี่เป็นรบเบือเฟือ้อนะแล้วก็ชอบความอบอุ่นในการอยู่ร่วมกันเอือเฟื้อสนทนาปลาใสนะก็ไปคนละแบบ ก็คือว่าของเขามันจะมีกติกาที่เขาเอาจริงอจัง ก, ก็อย่างที่ว่าไงาเพราะเขาถือโดยรูนอปรอเนี่ยแล้วเขาเครึงครัดตกลบระเบียบเพราะฉนั้นเขาก็รักษาได้วางกติกาว่าอย่างไงเขาก็ปฏิบัติตามเขาเรามากติกาวางท่านรักษาไม่ได้ใช่ไหมพยายามทําตามเขาเสร็จแล้วไอ้กฎนี่มันก็ไม่อยู่มันก็เลี่ยงกันต่างนะมันก็จะแย่เป็นไอ้วัฒนธรรมครึ่งกลางะจะเอาอะไรกับไปไม่ได้สักอย่าง เนี่ยอย่างแค่ห้ามเด็กอายุเท่านี้เข้าร้านสุราเนี่ยของฝรั่งเขาทาได้ของเราทําไม่ได้ใช่ไหมเราก็แย่สิสังคมของเราแล้วก็เรื่องอบยมุลอะไรเราก็รักษาไม่อยู่เพราะเรากฎกติกามันไม่เป็นอย่างจริงนีมันรักษาไม่ได้มีสังคมไทยจะเอาอยัางไงก็ คือจะเป็นอย่างสังคมฝรั่งที่ในส่วนที่ดีของเขาเราก็เอาไม่ได้เนี่ในส่วนของตัวเองเราก็สูญเสียใช่ไหมความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อะไรต่ออะไรกันมันก็ค่อยๆเรือนหายไปเนี่ยมันก็กลายเป็นได้ส่วนที่เสียของสองฝ่ายอย่างนี้มันก็โสมเท่านั้นเองเนีอ้าวก็แปลว่าเรื่องของสังคมไทยก็มีปัญหาเรื่องนี้เข้ามาแล้วมันก็รวมไปถึงเรื่องของไอที เรื่องของเทคโนโลยีอีกใช่ไหมนี้สังคมฝรั่งเขาก็มีปัญหามากอยู่แล้วเรื่องของไอทีเรื่องขอ ง, IT, องข่าวสารข้อมูลที่มาเช่นทางอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยจะยิ่งมีปัญหากว่าเขา ก, การควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตอะไรจะจริงไม่ได้เรื่องอะไรเลยแล้วก็การขายเกินการในเรื่องของพวกซ dv ีวซีอะไรก็แล้วแต่นะพวกสื่อต่างต่างเนี่ยนะก็จะแย่เอามากๆแล้วก็ ของเราก็พอระบบธุรกิจเข้ามาครอบงำใช่ไหมแล้วรักษากฎกติกาไม่ได้ก็หมดกันสิไอ้พวกความเหลวเละทั้งหลายก็ไปถูกธุรกิจครอบ ง, งาธุรกิจก็มาล่อคนที่รุ่มหลงในสิ่งเหล่านี้กฎกติกาก็ถูกธุรกิจเข้ามาบิดเบือนอีกใช่ไหมฮะทำให้เกิดคอร์รัปชันอลไจะไรไม่รู้แหละหลีกเลี่ยงการกฎกติกาก็ไม่มีความหมาย สังคมก็ยิ่งเละเทะหมดนี่ของเขายังดีว่าการรักษากฎกติกามันดีกว่ามันก็ยังคมครองได้ดีกว่าเรานั้นสังคมของเราเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเละเทะได้มากและคนของเราก็ขาดความเข้มแข็งอยู่แล้วนิสัยในการผลิตก็ไม่ค่อยมีก็มีนิสัยเสพบริโภคมากอยู่แล้วใช่ไหมก็เลยเข้ากันได้ดีเลยอ่อันนี้ของเขาพื้นฐานมันมีความเป็นนักผลิตอยู่ แม้จะมีความเป็นนักบริโภคมันก็เป็นตัวมาถ่วงดุลกันอยู่แล้วก็ ก, กฎกติกาเขาก็รักษาได้ดีกว่าใช่ไหมฮแล้วเขาเป็นผู้ผลิตแล้วเขาก็เป็นฝ่ายผู้กระทําเราเป็นผู้ถูกกระทําแล้วเขาเป็นผู้ที่กระทําเขาก็เป็นผู้ที่สามารถนําวิถีของสังคมของโลกให้เป็นไปตามที่เขาต้องการส่วนของเรานี่ เป็นผู้เต้นอยู่บนเวทีตามบทที่เขากำกับถูกไม่ถูกเวลานี้สังคมไทยนะพวกเราเนี่ยเดินมากคนไทยเนะี่ยเต้นอยู่บนเวทีตามบทที่ฝรั่งญี่ปุ่นเขากำกับให้เขาเนะี่ยเขาเป็นผู้ผลิตนี่เขาเป็นผู้กำกับการแสดงดันั้นเราก็ไม่มีบทบาทในการที่จะไปมีส่วนร่วมในการที่จะนำวิถีของ มนุษยชาติวิถีของอารยธรรมวิถีของโลกแม้แต่วิถีของสังคมของตัวเองแม้แต่ชะตากรรมของสังคมของตัวเองก็ไม่ได้ใช่ไหมฮแล้วมันจะแยกขนาดไหนล่ะถ้าต้องคิดให้ดีนะเรื่องเนี้ยพราะนั้นถ้าเราไม่ตื่นขึ้นมาไม่มีความเข้มแข็งก็งไปไม่รอดแต่ปัญญาหลักการของเราก็มีดีอยู่เนี่ยแต่เราก็ไม่เอาขึ้นมาใช่ไหม พลังพลึงเขาก็จับไม่ได้เรื่องหลักการเหล่านี้นี่ก็อันเนี้ยเรื่องนี้จับให้ถูกอย่างเพศศึกษาก็ต้องบอกแกนมันอยู่ที่ไหนเรื่องของเพศสัมพันธ์แล้วเอาจุดนั้นให้ได้เป็นแกนเป็นมาตรฐานแล้วต่อจากนั้นเรื่องอื่นก็อาศัยไอ้เกณฑ์มาตรฐานนี่มาช่วยจัดปรับให้มันดีให้มันพอดีขึ้นมาเมื่อกันมันไม่มีทางพอดีอะแล้วก็ไปเทียวอ้างสิทธิมนุษยชนอะไรต่อะไรกันทีนี้ก็เละเลยเนีย สิทธิเสรีภาพกลายเป็นสิ่งที่นำมาใช้อ้างเพื่อความเหลวไหลเหลื้อเถืนะ่อแทนว่าเสรีภาพจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้โอกาสในการพัฒนาชีวิตมนุษย์เคยพูดกันแล้วมั้งเรียกว่าเรามีวินัยเพื่ออะไรใช่ไหมเรามีวินัยเพื่อจะจัดสรรให้เกิดโอกาสถูกไหมฮ ะ, ะเคยยกตัวอย่างบา่อย ถ้าเราไม่มีระเบียบแม้แต่จัดตั้งวางของเกะกะในทีน่นี้จะเดินจะเหินกันลำบากไม่รู้กว่าจะถึงประตูนี้เสียเวลาเยอะแยะเราก็ต้องจัดของให้มีระเบียบคือวิเ น, นัยนะตามท้องถ น, นนจราจยก็ต้องมีวิเหนัยนะตกลงกฎกติกากันไว้ไปตามนั้นมีไฟเขียวไฟแดงมีเล่นทางขวาทางซ้ายแล้วก็ มีกฎเกณฑ์กฎหมายคุมขึ้นมาอีกในการที่จะระวังเพื่อการลักขโมยทําร้ายกันใช่ไหมเมื่อวินัยมันดีกฎหมายอยู่ก็จะปลอดภัยจะเดินทางไปทําธุรกิจที่ไหนเวลาขําคืนก็ไปได้มนุษย์ในสังคมนั้นก็เกิดโอกาสวินัยก็เป็นเครื่องจัดสรรให้เกิดโอกาสเพื่อจะได้ทํากิจการของมนุษย์ได้ถ้าไม่มีวินัยก็จบกันไม่มี แม้แต่วินัยแต่ละคนไม่มีฉันจัดเวลาก็ไม่เป็นในวันนึ่งทำอะไรก็ไม่ได้เลย่องพอมีวินัยเข้ามามันก็ทําอะไรแต่ไรได้ขึ้นมาวินัยเป็นเครื่องจัดสรรให้เกิดโอกาสพอมีเสรีภาพแต่าไอ้มีโอกาสนะเพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนามนุษย์พัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่โอกาสเพื่อจะเล่นเรื่อยป่วยไปลอกใช่ไหมโอกาสวินัยจัดสรรโอกาสเพื่อให้มนุษย์ จะได้พร้อมที่จะพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมตัวเองทีนี้มนุษย์ต้องมีเสรีภาพถ้าไม่มีเสรีภาพก็ไม่สามารถใช้โอกาสที่วินัยจัดให้ก็ให้มนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยมีเสรีภาพเพื่อจะมาใช้โอกาสที่วินัยจัดให้นี้เสรีภาพนี้ก็จะเอื้อในการที่มาพัฒนาชีวิตเขาแต่ละคนให้มันดีขึ้นนี้เพราะมนุษย์ไม่รู้เรื่องวินัยก็กลายเป็นเครื่องบังคับ แล้วว่าไม่รู้ว่าจะจัดโอกาสอะไรเพราะแกไม่รู้กันนึกก็บังคับกันท่านเดียวเสรีภาพแกกันนึกว่าทำตามใจชอบก็ไม่มีจุดหมายนใช้โอกาสก็ไม่เป็นนมันก็ใช้ไปตามใจชอบของตัวเองก็ไปก็มาขัดแย้งกันมันก็ไม่เกิดการพัฒนาชีวิตสังคมให้เสรีภาพเขามีไว้เพื่อจะมานี่แหละมาใช้โอกาสจากวินัยนะหลมีกฎหมายขึ้นมาทาให้เกิดโอกาส ในทางที่ดีเพราะปิดโอกาสช่องร้ายใช่ไหมปิดช่องร้ายแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสที่ดีงาม <c oughs> ก็คือโอกาสในการพัฒนาชีวิตสังคมแล้วก็มีเสรีภาพป้าบก็มาใช้โอกาสนี้อย่างน้อยตัวเองมีสติปัญญามีความรู้้าใจมีความคิดดีๆก็จะได้ใช้เสรีภาพเนี่ยเป็นโอกาสเอาใช้เอาเสรีภาพนีมาใช้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะเป็นการสร้างสารรค์ร่วมที่จะรับผิดชอบสังคมก็สร้างสังคมให้ดีงามขึ้นไปมนุษย์ก็มีเสรีภาพในการที่พัฒนาชีวิตให้ดียิ่งขึ้นไปนี่พอมันใช้เสรีภาพไม่เป็นใช่ไหมใช้โอกาสไปในการที่ลุ่มหลงเสพบริโภคว่าชีวิตมันก็ไม่พัฒนามันก็มาขัดแย้งทะเลาะวิวาดกันอยู่ไอ้ประโยชน์ที่มีในชีวิตตัวเองตัวเองก็ไม่มีอะไรจะมาให้กับสังคมใช่ไหมในความคิดสติปัญญาที่พัฒนามันก็ไม่มี เนะี่ยมันก็ไม่มีอะไรให้สังคมก็จเจริญไม่ได้เสร็จแล้วมันก็ไปขัดกับหลักการอื่นเสรีภาพสมภาพหรือความเสมอภาคและพระราชดลภาพเนะี่ยหลักการของประชาธิปไตยเดิมเขามีสามเดยวนี้ก็หดเหลือสองจริงมฮะประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มกําเนิดฝรั่งเศสมันเป็นตัวเริ่มแรกดดวยซ้ำนะก็มีหลักการประชาธิปไตยเนี่ยหลักเขามีสาม คืออะไรหนึ่งลิเบอร์ตี้สามตี้นะหนึ่งลิเบอร์ตี้ก็เสรีภาพสองอีควอไลตี้ความเสมอภาคสมัยก่อนเราใช้ศัพท์เป็นบาลีว่าสมภาพหรือสมภาพสอมผอสมะหมาความเสมอสมภาพแล้วก็สามพลเทอร์นิตี้เทอร์นิตี้ก็แปลว่าพระราดอภาพ นี่คือหลักการประชาธิปไตยในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มต้นเลยแล้วอเมริกันก็เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับประชาธิปไตยจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนี่ด้วยคือประชาธิปไตยเขาถึงการความคิดในเชิงเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นตัวการสำคัญในสามภาพเนี่ยเดี๋ยวนี้เราจะเน้นจัดเสรีภาพและความเสมอภาค เมื่อต่างคนจางจะเอาเสรีภาพเนี่ยเช่นเรียกจะใช้สิทธิของตัวเองเต็มที่ตามชอบใจตัวเองให้พราดอลภาพความเป็นพี่เป็นน้องก็เกิดไม่ได้มันก็แย่งตีกันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเสรีภาพมันไม่ได้ดุล น, นะไอ้คนไหนมีกำลังมากมันก็เอามากเอาเปรียบคนอื่นมันได้มากมันเสรมิมเสริมพาคไม่ได้ถูกไหมก็ เสรีภาพสุดตรงไปละที่ประเจริญนิยมมันก็เสมอภาคแทนไม่ได้พระราชดลภาพไม่ต้องพูดถึงไม่เกิดทีนี้เสมอภาคคอมมอนนิสต์มันเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันไม่เสมอภาคกันจริงไอคนจนคนรวยมันต้องเสมอภาคจริงมันก็จัดใหม่เลยให้เสมอภาคอีตาคอมมอนนิสต์สังคมนี้คอมมอนนิสต์ก็จะให้เสมอภาคกันจริงใช่มไหมแกไม่เอาเสรีภาพแกก็สุดตรงไปเสมอภาคนะ รวยจนเท่ากันหมดใช่ไหมแกเอาเสมอภาคแกก็บอกฉันประชาธิปไตยถูกไหมเนี่ยบอกว่าอย่างพวกประเทศลาวหรือจีนแดงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนใช่ไหมประชาธิปไตยเห ม, มือนกันเสมอภาคเป็นใหญ่ถูกไหมเนี่ยจนกระทั่งว่าเท่ากันหมดทุกคนเสร็จแล้วแต่งตัวแต่งเตือสมัยก่อน ทันมจีนนะ่ผู้หญิงผู้ชายแต่งตัวยังเดียหมดเลยนีพอเสร็จแล้วพอเปิดประเทศท่านั้นเขานีคนจีนพัดไปสุดโกตุงเลยเพราะมันถูกบีบกดมานานนาไม่พอดีเนี่ยก็แบบอเมริกันทุนนิยมก็เสรีภาพสุดโตง่งแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็เสมอภาคสุดโตง่งแต่ทั้งสองพวกนี้ ไปไปมามาพระราดอรภาพไม่มีความเป็นพี่เป็นน้องอยู่กันไม่ได้ของพุทธศาสนานี่ยังไงไงจะให้เสียพระราดอรภาพจึงถือสามัคคีเป็นหลักใช่ไหมสามัคคีเป็นใหญ่เพราะว่าเราต้องการสร้างสังคมหรือชุมชนนั้นให้เป็นสภาพเอื้อที่ทุกคนอยู่เป็นสุขและจะได้เป็นสภาพที่ทําให้แต่ละคนในพร้อมที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น ถ้ามันไม่มีพระบาลพรพไม่มีความสามาคัคคีมันก็เสียหมดก็จะเกิดการแย่งชิงการอาลัอเปรียบอะไรต่นะจิตใจก็จะยิ่งพัฒนาในทางเขี่ยมเกรียมความโลภความอะไรต่ออะไรยิ่งมากขึ้นถูกไหมเนอะไรกันเนี่ยแค่หลักประชาธิปไตยสามอย่างก็รักษาดุลยภาพไม่ได้นะเสรีภาพ สมรภาพหรือความเสมอภาคเดี๋ยวนี้แปลงกับาความเสมอภาคที่จริงเดิมเขาให้มีภาพภาพภาพหมดนะเสรีภาพสมรภาพพราดอลภาพแล้ก็สามตี้จาไว้เลยนะริเบิลตี้อีควอไลตี้พลัตเทอริตี้สามอันเนี้ยต้องมีดุลยภาพกันอยู่ประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวตอนนี้ก็จะเหลือสองแทบจะไม่พูดถึงอันที่สแล้วก็สองอันนี้ก็จะสุดโตงไปอันใดอันหนึ่ง แล้วก็จะยุ่งไปหมดอ่ะพระศุกลงประชาธิปไตยนี่ก็ตอนนี้อเมริกันแกจะไปไหนแกก็บอกว่าแกจะพยายามทําให้โลกเป็นประชาธิปไตยทําให้ประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยเลยก็แบบของแกประชาธิปไตยแบบทุนนิยมใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าอะไรฟรีมา켓ดิม็อกราซี่ประชาธิปไตยแบบตลาดเสรีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ปัจจุบันในระดับโลกแต่รวมแล้วเรื่องทั้งหลายนี่ถึงกันหมดนะพอฟรีมาเก็ตทุนนิยมก็เรื่องของธุรกิจก็มีบทบาทใหญ่ธุรกิจเป็นบทบาทใหญ่ก็เรื่องผลประโยชน์มาผลประโยชน์มาก็ต้องมีฝ่ายผู้ได้เปรียบผู้เสียเปรียบนะฝ่ายผู้ผลิตฝ่ายผู้บริโภคนะแล้วก็หาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะเกิดความลุ่มหลงมเ ม, มาเพราะมันหาความพอดีได้ยาก วันนี้ก็เลยพูดไปเรื่องกว้างๆด้วยอนิมณ์ก่นสารของของเพศเพศสัมพันธ์ก็คือการสืบพันธุ์ครับก็ตัวจริงมันอยู่ที่นั่น <c oughs> แก่นสารของการสืบพันธุ์ก็อยู่ที่ได้พันธุ์ที่ดีครับอ๋อไม่ใช่หมายความว่าเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราเราพูดอีกชั้นว่าไม่ใช่แก่นสารเมื่อแก่นสารของการมีเพศสัมพันธ์อยู่ที่การสืบพันธ์ก็คือว่าเพราะฉะนั้น มนุษย์ควรจะทํำยังไงนี่นี่คือข้อปฏิบัติคือในเมื่อความจริงเนี่ยคือการสืบพันธเมื่อความจริงเป็นอย่างนั้นเราก็จะมีข้อปฏิบัติและมนุษย์ควรปฏิบัติตัวอย่างไรตอนนี้เป็นเรื่องของมนุษย์เมื่อเราต้องการความจริงก็คือการสืบพันุ์ก็เราก็ควรจะได้พันุที่ดีถูกไหมควรจะได้พันธุที่ดีมนุษย์ก็มาวางข้อปฏิบัติกันสิเออถูกไหมกดก ถูกครับแต่ถ้าเมืถ้าเราจะได้พันธุ์ที่ดีเราก็ต้องหาพ่อแม่พันธุ์ที่ดีด้วยแล้วถ้าจะเราจะได้พ่อแม่นี่ดีแล้วเริ่มความรักเราก็อาจจะเนาะมีบทบาทน้อยลงก็จะทําให้ชีวิตครอบครัวอาจจะมีปัญหาให้ย่าล้างเกิดขึ้นแล้วก็จะเกิดปัญหาสังคมก็คือเด็กก็จะขาดความรักก็จะอาจจะหันหน้าไปพึ่งพาเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีครับอ่าพันธุ์ที่ดีในที่นี้มันไม่ใช่พันธุ์ที่ดีแบบเทคโนโลยีไม่ใช่แบบ พันธุวิศวกรรมนะฮะมันพันธุ์ที่ดีแบบมนุษย์มนุษย์มันมีชีวิตชีวามันมีร่างกายมันมีจิตใจถูกหมฮะหมายถึงจิตใจที่ดีด้วยนะฮะโอ้ตอนนี้ต้องคิดกันมาคำว่าได้พันธุ์ที่ดีเนี่ยนะคือได้ลูกที่ดีพูดง่ายๆจะได้ลูกที่ดีพ่อแม่ต้องมีความรักกันจริงจริงไหจริงพ่อแม่ต้องมีคุณธรรมถูกไหมถูกนะแมมเดี๋ยวนี้ก็เขาชักเห็นแล้วใช่ไหม ว่าเด็กในท้องเนี่ยมันขึ้นตัวจิตใจพ่อแม่ด้วยแม้แต่เสียงดนตรีบรรยากาศชูไหมนี่แหละครับคำฝันที่ดีก็คือลูกที่ดีจะได้ลูกที่ดีทำไงก็ต้องดูแลตั้งแต่ว่าเออปูญาตาิยายพ่อแม่ก็คอยดูแลว่าให้ลูกได้คูดคลองที่ดีซึ่งมีความประพฤติดีงามมีนิสัยจิตใจที่ดี รักกันจริงมีเมตตากรุณาต่อการสื่อสัตว์ต่อกันอู้มันเปล่งไปหมดเลยจริงไวมจริงถูกไหมพันธุ์ที่ดีเนี่ยลูกที่ดีนั่นเองคราวนี้เราก็ต้องมาคิดกันมากแล้วมันจะไปเองแหละระบบครอบครัวครอบครัวมันดีไปหมดเข้าใจนะเนี่พันธุ์ที่ดีเพราะเราไม่สามารถจะรู้หรอกคือระบบธรรมชาติมันไม่ใช่ระบบพันธุวิศวกรรมเนี่ยนั่นเขา เก่งในทางวิทยาศาสตร์เขาก็ดูว่ายีนเป็นยังไงใช่ไหมไอ้นี่เราดูไม่ออกนะบางทีพ่อแม่ขอภัยพ่อปัญญาดีเลิศเลยแต่งงานแล้วลูกออกมาปัญญาอ่อนมีไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นเอาแน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์ก็ต้องเอาธรรมชาติในทางสังคมที่อยู่ร่วมกันเนี่ยแหละพิจารณาดูนิสัยใจคอความประพฤติลักษณะอะไรใช่ไหม โอ้โหพระเะนั้นคนโบราณจึงได้มีหลักเยอะแยะในการที่จะดูคู่ครองเพื่อจะได้ได้คู่ครองที่ดีจะได้มีบุตรหลานที่ดีเนี่ยครับมันมาแบบระบบธรรมชาติเท่าที่มนุษย์จะมีปัญญารู้ไม่ใช่ว่าไปใช้วิธี ว, ธวิทยาศาสตร์นะอันนั้นปล่อยเขาไปอีกพวกหนึ่งคิดัะไปอีกนานไม่รู้จะสำเร็จแค่ไหนนะแต่ว่าวิธีของเรานี่รอไม่ได้เราก็จะต้องสอนคนให้คิดให้ถูกทางนะ แล้วที่เขาคิดกันมาโบราณเขากพยายามม่งนะเรื่องเนี้เพื่อจะให้ได้ลูกหลานที่ดีเนี่ยให้บุตรที่ดนะีคิดกันจอกระทั่งว่าต้องดูหมอดูโหนอะไรลักษณะใช่ไหมมีลักษณะที่ดีลักษณะที่ไม่ดีคิดกันหนักหนาเลยแสดงว่าวคนโบราณก็ยังรู้จักจุดเน้นย้วยไปเน้นที่บุตรหลานไอ้ที่จะแต่งงานกันเนี่ย ที่แท้มันต้องเป็นเด้นบุตรหลานเออเขาก็ยังมีหลักไ อ, อคนสมัยนี้มันไม่เอาเลยเนี่ยมันไม่มองเรื่องการที่จะสืบะกูลลูกหลานจะเป็นยังไงมันจะเสพเพศลดอย่างเดียวเออมนุษย์มีมอารยธรรมอะไรก็ไม่รู้อารยธรรมเหลวเป๋วเรื่องนี้ก็ต้องฟังให้ชัดไอเรื่องต่างนะเนี่ยเนีแล้วก็ เมื่อท่านเข้าใจเรื่องนี้ชัดแล้วก็มันก็จะมาโยงกันเองนะแล้วบางอย่างก็ไม่ต้องตอบโดยตรงว่าตอบได้เองเลยพอได้หลักแล้วก็ตอบเองก็ตอบเจาะจงเลยคราวนี้เจาะหมายถึงเจาะจงหลักนะไม่ใช่ไปรายละเอียดปลีกย่อยเห็นด้วยไหมในการที่จะแก้ปัญหาสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นด้วยก็ค้านมานะะก็ต้องช่วยกันคือว่าตอนนี้สังคมไทยเราต้องถึงหรือถือว่า ขั้นเละเทะแล้วนะขั้นว่าเละไหมเละเทะเลื่เธอลอะเพื่อนอ่าก็ทีนี้ก็ไปกันใหญ่นตัวเองก็ไม่รู้เข้าใจตัวเองเอารยธรรมเขาตัวเองก็ไม่เข้าใจแล้วก็รับเขามาใช้ก็ใช้ไม่ได้แต่แตพูดก็เป็นสนุกถ้าเป็นโก้ไปะนะรูนอบลอรูนอบลอหลักนิติธรรม เดี๋ยวพอฝรั่งกู๊ดกับคนนั้นก็ทำมาพิบานว่าเข้าไปนั่นนะทำมาพิบานก็ว่ากันไปอยู่นั้นนะดีไม่ดีก็กลายเป็นว่ากันโก้โก้อไปตกลงก็ไว้ตอบคําถามเรื่องทุกข์สุขอีกทนะีให้มันเป็นเรื่องเป็นราวได้เรื่องขึ้นมานะเอาแน ง, งั้นตกลลงพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่พบกันได้คุยกันเอาละโมทนาวันนี้